ามารู้จักอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งตอนนี้กเกษียณไปได้หลายปีแล้วถ้าเร่าว่าเมื่อสักสามสิบกว่าปีที่แล้วนะเคยไปศึกษาต่อที่อเมริกานะเพื่อทำปริญญาเอกแล้ววันหนึ่งาาทางมหาวิทยาลัยก็แจ้งว่าอยากจะขอรบกวน ให้อาจารย์ท่านนี้ช่วยเป็นคนดูแลติดตามพระธิเบศท่านหนึ่งซึ่งได้รับเชิญให้มาแสดงธรรมที่เมารเทลัยสมัยนั้ น, นนะพระธิเบศก็ยังไม่ได้เป็นที่รู้จักมากคนอเมริการู้จักศาสนาพุทธนิกายวัชรยานค่อนข้างน้อย พอตอนนั้นท่านทรายลมามะก็ยังไม่ได้โด่งดังและทางหมายทลายก็เห็นว่าอาจารย์ท่านนี้เป็นคนเอเชียด้วยกันน่าจะตอนรับขับสู้ได้ได้ดีกว่าคนอเมริกันอาจารย์ท่านนี้ก็อาจินดีนะแล้วก็ดูแลนะติดตามพระลามะท่านนี้นะตลอดสามสี่วันนะที่ มาบรรยายที่หมาหาเชลัยแล้วก็ได้มีความคุ้นเคยกับะพระทิเบตท่านนี้แล้วก็ศรัท ธ, ธาในศีราจารวัตของท่านและที่ประทับใจอย่างนั้นก็คือความเป็นกันเองความสงบเจ็นของท่านคือไม่เคร่งนะนะไม่เคร่งเครียดแต่ว่า ผ่อ น, ผ, อนผ่อนคลายซึ่งอันนี้ก็เป็นลักษณะเด่นของพระธิเบตที่คนอเมริกันเขารู้สึกได้เป็นคนที่มีอารมณ์ขันวันสุดท้ายเนี่ยตอนที่พระธิเบตท่านนั้นก็จะเดินทางกลับอาจารย์ท่านนี้ก็ ก็ปรารภว่าเนี่ยเมื่อเรียนจบแล้วนี่อยากจะไปอยู่ไปพักที่สำนักของท่านที่อินเดียสักระยะหนึ่งจะได้ไหมพาะรามก็ถามว่ามีความมุ่งหมายอะไรนะในการที่จะไปที่นั่นอาจารย์ก็ตอบว่าอยากจะไปหาความสงบเพราะว่ากรุงเทพนี่คงจะไม่ค่อยสงบเท่าไหร่ พาลมาก็เลยพูดขึ้นว่าถ้าท่านหาความสงบที่กรุงเทพไม่พบนะไปวัดอาตมาก็ไม่พบเหมือนกันนะอันนี้ก็ทําให้อาจารย์ท่านนี้ได้คิดนะสุดท้ายเมื่อท่านเรียนจบแล้วก็ไม่ได้ก็บินกลับเมืองไทยแล้วก็สอนหนังสือที่กรุงเทพยอยู่เป็นเวลานา น, านก่อนที่จะไปย้ายไปสอนที่เชียงใหม่ ในช่วงไม่กี่ปีก่อนเกษียณ ค, คำพูดหรือคำแนะนำของอพระที่เบท่านี้น่าสนใจมากนะคือท่านเตือนให้เราลึกว่าจริงๆแล้วความสงบนี้มันสามารถจะหาได้ทุกที่ถ้าหากว่าอยู่บ้านหรือว่าอยู่กรุงเทพนะไม่พบความสงบไปที่ไหน ก็คงหาความสงบไม่เจอเหมือนกันเพราะจริงๆแล้วความสงบอยู่ที่ใจนะมาไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดสถานที่ใดนะก็ยังสามารถจับพบกับความสงบได้เสมอแล้วก็ท่านก็เล่าอีกตอนหนึ่งนะซึ่งทําให้รู้สึกว่า สิ่งที่อาจารย์ทิเบตได้พูดนี่มันน่าสนใจมากทีเดียวอาจารย์ท่านนี้ก็เล่าท่านเล่าในโอกาสอื่นนะไม่ได้ไม่ได้เล่าต่อเนื่องกันสองเรื่องนี้แต่ว่าพอมาปฏิปต่ะกันแล้วก็รู้สึกว่าไอ้ความสงบเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่และไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ แม้แต่ในสถานที่ดูเหมือนว่าอันตรายถึงแก่ชีวิตนะก็ยังพบความสงบได้แล้วเราวาตอนที่ได้ไปทำงานที่เชียงใหม่แล้วก็มีวันหนึ่งนะมีธุนระจะ บ, บินเข้ากรุงเทพเพื่อนคนหนึ่งทราบก็ชวนว่าอ่านั่งเครื่องบินผม ไปกรุงเทพนะผมมีธุระจะไปกรุงเทพอยู่พอดีคือแกมีเครื่องป็นส่วนตัวลำเล็กๆอาจารย์ท่านนี้ก็รับปากแล้วก็ได้ขึ้นเครื่องบินตอนก่อนขึ้นเนี่ยมันก็มีฝนตกอยู่ค่อนข้างหนักแต่ว่าพอฟ้าสงบแล้วก็ก็ขึ้นเครื่องบินปอกก็ว่าขึ้นไปได้สักพักนะหนาทีสินาทีเท่านั้นแหละบก เครื่องมันหยุดขัดข้องหยุเนะ้เฉยๆในเครื่องยนต์ก็พยายามสตาร์ทสตาร์ทเท่าไหร่ก็มันไม่ติดนะก็เลยรู้เลยว่าอันตรายกำลังเกิดขึ้นแล้วตอนนั้นก็แน่ใจว่าเนี่ยเครื่องมันต้องตกแน่ปัญหาคือว่าจะตกตรงไหนนะก็ตกลงกันว่าเนี่ถ้าจะตกก็อย่าให้มันตกในชุมชนเลย แห้มันตกในบริเวณที่เป็นป่าเขาดีกว่าก็เลยพยายามบังคับเครื่องนี่ให้ให้ล่อนไปตรงบริเวณที่มันเป็นป่าเป็นเขาซึ่งก็คงจะอยู่แถวลาปางลาพูนเนี่ยนะไอ้ช่วงนั้นเนี่ยทำใจแล้วนะทำใจพร้อมที่จะตายแล้วปรากฏว่าพอทำใจได้นี่รู้สึกสงบมากและบรรยากาศรอบข้างก็เป็นใจด้วยนะเพราะว่า ขณะที่ล่องอยู่บนบนฟ้านี่นะข้างบนนี่ก็สงบเมฆก็สวยข้างล่างก็เป็นเป็นภูเขาเป็นถิวเขายาวเป็นพืชท่านเลาว่าตอนนั้นเนี่ยใจสงบมาก ท, าทั้งนังทีร้วตอนนั้นเนี่ยความตายมัน ใ, นใกล้เข้ามาแล้วแต่ไม่ได้รู้สึกเสียใจรู้สึกกลัวเลยเลยเป็นความสงบ นะที่ไม่คิดว่าจะได้พบมาก่อนมันเป็นอย่างนี้อยู่ประมาณนะเกือบสิบนาทีได้นะแล้วจู่ๆเนียเครื่องก็สตาร์ทติดสตาร์ทติดแล้วก็ตกลงว่าจะทํายังไงดีจะบินต่อหรือว่ากลับมาตั้งหลักใหม่นะที่เชียงใหม่ก็ตกลงว่ากลับมาตั้งหลักที่เชียงใหม่ดีกว่าเพราะว่าจะได้มาเช็คเครื่องก็เลยนะนะ บินกลับมาที่เชียงใหม่ตอนที่บินกลับมานี่ก็แจ้งทางาสนามบินได้ว่าเนี่ยให้ช่วยต้อนรับให้ช่วยเตรียมตัวด้วยเพราะว่าเครื่องอาจจะดับเมื่อไรก็ได้ปรากฏว่าพวกมีการเตรียมการรับมือเป็นการใหญ่นะรถ ด, ดับเพลิงก็มารอเลยแต่ว่าก็สามารถจะลอดลงนะสนามบินได้โดยปลอดภัย เช็เครื่องแล้วก็พบว่าอ๋อน้ำมันเข้าน้ํานเข้าไปในเครื่องว่าฝนตกนะพอจัดการแก้ไขเสร็จเจ้าของเครื่องก็ถามว่าจะบินต่อไหมเข้ากรุงเทพอานะจารย์ก็บอกว่าได้สนะิไม่ได้กลัวอะไรเลยนะสุดท้ายก็บินนะแล้วก็กลับถึง เ, เข้าถึงดอนเมืองโดยสวัสดิภาพอันนี้ก็เป็นเป็น เป็นเรื่องที่นะยืนยันให้เราอย่างไร ก, กับอาจารย์ท่านนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสงบเนี่ยมันสามารถจะรับรู้สัมผัสได้เนไม่ใช่แต่ในทุกที่นั้นแต่ว่าในทุกสถานการณ์ด้วยแม้กระทั่งในสถานการณ์ที่คุกคามถึงชีวิตนะเพราะวาความสงบเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เหตุปัจจัยภายนอกมาเท่ากับ จิตใจของเรานะความสงบอยู่ที่ใจเช่นเดียวกันความสุขนะก็อยู่ที่ใจด้วยจะสุขหรือทุกข์มันอยู่ที่ใจเราแล้วก็ขึ้นอยู่กับใจเราเป็นสำคัญไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกหรือว่าคนอื่นมีบางคนนะตัดเพ้อว่า คนนั่นคนนี้ขโมยความสุขของฉันไปนะคนนั่นคนนี้อาจจะเป็นคู่รักเป็นแฟนเก่าหรือเป็นเพื่อรวมงานก็แล้วแต่จริงถ้าดูให้ดีแล้วเนี่ยมันไม่มีใครนะที่จะขโมยความสุขจากเราไปได้แล้วเราก็ไม่สามารถจะขโมยความสุขของคนอื่นไปได้เหมือนกัน ถ้าความสุขมันจะไม่มีก็เพราะว่าเราต่างหากนะที่ทําลายความสุขของเราเองไม่ใช่เพราะคนอื่นมาขโมยความสุขจากเราแต่เป็นเราเนี่ยที่ทำลายกัดกร่อนความสุขของตัวเองหรือว่าอย่างน้อยที่สุดนะ้วก็ไปเปิดช่องเปิดโอกาสให้เปิดทางให้คนอื่นเนี่ย มาทำลายความสุขของเราถ้ า, าว่าเราไม่ร่วมมือด้วยหรือว่าถ้าเราไม่ไปทำลายความสุขของเราเองเนี่ยเราก็จะไม่มีทางทุกข์ใจได้เลยคนอื่นนี่อาจจะทำได้แค่ขโมยของของเราไปหรือว่า อาจจะถึงกับทำร้ายร่างกายของเราแต่เขาไม่สามารถจะทำให้เราทุกข์ใจได้คนหนึ่นขงขโมยได้แต่เงินนะแต่ขโมยความสุขจากเราไปไม่ได้ถ้าเกิดว่าเงินหายถูกโกงและเรามีความทุกข์นั่นก็เพราะเราวางใจผิดนั่นใช่เรายัางยึดติดถือมั่นกับทรัพย์สมบัติเหล่านั้น ถ้าว่าเราเพียงแค่ปล่อยวางนะหรือว่ามองว่าของเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นของชั่วคราวหาเอาใหม่ได้หลายคนเขาก็คิดแบบนี้นะเขาจะโดนโกงโดนขโมยไปแต่เขาไม่ทุกข์นะเพราะว่าเขารู้จักปล่อยวาง หรือเขาคิดว่าเนี่ยมันเป็นของที่มาอยู่กับเขาเพียงชั่วครั้งชั่วคราวพราฉะนั้นเนี่ยเมื่อคนอื่นอไปก็ก็เป็นเรื่องที่ธรรมดาก็หาใหม่เอาดีกว่ า, าคนที่ถูกขมโมยเงินไปนะแต่ว่ายังมีความสุขยังนอนหลับก็มีอยู่มากมายน้ำท่วม พัดพาเอาบ้านเรือนพัดภ า, าทรัพย์สมบัติไปก็มีหลายคนที่เขาไม่ได้ทุกด้วยเขาไม่ได้เครียดเขาไม่ได้กลุ่มใจเขาไม่ได้ถึงกับฆ่าตัวตายอย่างบางคนนะเมื่อสามปีที่แล้วนะตอนที่เกิดน้ำท่วมใหญ่พอเขาได้คิดว่าเออมันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยสักอย่างเดียวไอ้ของที่มีนั้นมันอยู่กับเราเพียงชั่วคราวไม่ช้าก็เหลิมก็ต้องไป ถ้ไม่ได้ไปเพราะคนอื่นขโมยไปหรือเพราะไฟไหม้นะก็เพราะภัยธรรมชาติหรือมิฉะนั้นก็ความตายก็มาพรากออกไปเอา เ, เขาคิดเช่นนี้นะเขก็ไม่ถูกในน้ำท่วมนี่มันก็พัดพาได้แต่ทรัพย์สมบัติของเขาแต่ไม่สามารถจะพัดพาเอาความสุขไปจากใจของเขาได้ ถูกทำร้ายก็เหมือนกันนะก็ทำร้ายได้แต่ร่างกายนะแต่ว่าไอ้ความทุกข์ใจเนี่ยข้อไม่สามารถจะยัดเยียดให้เราได้ถ้าหากว่าจะทุกข์ใจก็เพราะใจเราเองนะที่ยังเก็บความโกรธความแค้นเอาไว้ยังไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางอนะมีผู้หญิงคนหนึ่งแกเป็น ตอนที่แกเป็นนักศึกษาก็หน้าตาดีนะได้เป็นดาวมหาเทยาไลทยตั้งแต่ปีสแล้วก็ได้รับชวนให้ไปเป็ น, ป น, ปนพ i ิตตี้ในหลายงานสมัยก่อนพ i ิตตี้มันก็ไม่ใช่สมัยก่อนนะก็คือเมื่ อ, อหลายปีก่อนเนี่ยมันพิตตี้มันก็ไม่ได้โชงฉางมากเธอก็ไปเป็นพ i ิตตี้ก็ได้ก็มีไรายได้ พอสมควรเพราะหน้าตาสาสวยแล้วก็วันหนึ่งก็บังเอิญไปไปรู้จักผู้ชายคนหนึ่งทางอินเทอร์เน็ตสมัยนั้นยังไม่มีเฟซบุ๊กอันนี้ประมาณสัหกเจ็ดปีมาแล้วอ่าติดต่อไปติดต่อมาก็คุ้นเคยกันผู้ชายนี่ก็เกิดหลงรักเธอแล้วก็จนกระทั่งเมื่อได้เจอกัน แต่ว่าพอผู้ชายรู้ว่ า, าผู้หญิงคนนี้แกชื่อเค้กกันนะไม่ได้มีใจให้ก็แค่เป็นเพื่อนเฉยๆผู้ชายก็ผิดหวังและโกรธ ถ, ถึงกับเอาน้ำกรดมาสาดหน้าเธอเสียโฉมตาบอดไปข้างหนึ่งเรู้สึกแย่มากนะรู้สึกแย่มากเพราะว่าให้คุณค่ากับความสวยงามหน้าตาของตัวเอง พอมันถูกทํำลายแบบนี้ก็รู้สึกว่าไม่อยากจะมีชีวิตอยู่นะคิดฆ่าตัวตายแต่ว่าคิดถึงแม่ก็เลยเปลี่ยนใจไม่ไม่ทําแต่ก็ต้องย้ายบ้านหนีไปไปย่างที่ที่ไม่เคยมีใครรู้จักเธอไม่เคยเห็นหน้าตาเธอว่าสวยยังไงบ้างก็อยู่ด้วยความทุกข์นะแต่ว่าผ่านไปสามสี่ปีนะใจเธอก็พลิกนะก็สามารถที่จะอยู่ หน้าตาทีา่ไม่สวยไม่งามได้ไปทำงานก็ไม่ได้ปิดบังหน้าตาของตัวนั่งรถไฟฟ้าไปทำงานไปเป็นพนักงาน call center ของธนาคารแห่งหนึ่งก็มีความสุขนะเจ้านายก็รักเพื่อนๆก็ก็รักแล้วเคยมีคนถามเธอว่าเนี่ย โกรธแค้นผู้ชายคนนั้นหรือเปล่านะที่เอาน้ำกรดสาดหน้าเธอเขาบอกเธอไม่โกรธเลยนะเดี๋ยวนี้ไม่โกรธแล้วอยากจะขอบคุณเขาด้วยซ้ําที่ทําให้เธอเป็นอย่างนี้เพราะอะไรนะเพราะว่ามันทําให้เธอได้มีเวลาอยู่ครอบครัวมากขึ้นคือว่าถ้าเธอยังสวยไนงะก็คงจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านเท่าไหร่นะคงจะหลงไปกับแสงสีแล้วก็อีประการคือมันทําให้เธอคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น เธอว่ตกรเนี่ยมันมีแต่ความยึดติดนะเจอแล้วก็ยึดติดไปหมดแต่พอเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเธอก็ได้เห็นความจริงว่ามันไม่มีอะไรที่แน่นอนเลยทุกอย่างมันแปรเปลี่ยนไปตลอดเวลารวมทั้งโฉมหน้าหรือว่าหน้าตาของเธอด้วยเธอบอกว่าถึงแม้มันจะไม่สูญเสียจากการถูกน้ำกรดสาดนี่พอแก่เท่าไปมันก็เสื่อมไปตามกาลเวลา การเหตุเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทำให้เธอปล่อยวางแล้วก็ทําให้เจอเรื่องอะไรก็ไม่ทุกข์ละเพราะว่าไอ้เรื่องขนาะเรื่องหนักๆแบบนี้เธอก็ปล่อยวางได้ในภาษาอะไรกับเรื่องของคําติชินนินทาหรือว่าเรื่องอื่นๆนะมันมันกลายเป็นเรื่องที่ปล่อยวางได้ง่ายมากอันนี้เป็นตัวอย่างนะของคนที่ แม้ว่าจะถูกทําร้ายนะแต่ว่ามันก็ทำร้ายได้แต่รูปร่างหน้าตาของเธอนะแต่ว่าไม่สามารถจะยัดเยียดความทุกข์ให้กับเธอได้จริงอยู่นะั้ทีแรกเธอมีความทุกข์นะเพราะว่าวางใจไม่เป็นแต่เป็นความทุกข์ที่เกิดจากใจของตัวเองใจที่หวงแหนความสวยความงามใจที่โกรธแค้นใจที่ไปให้คุณค่ากับความสวยที่หน้าตา โดยที่ไม่ตระหนักว่าจริงๆแล้วความสุขมันมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งนั้นมันอยู่ที่ใจมากกว่าลองดูให้ดีนะไม่มีใครขโมยความสุขไปจากเราได้ก็าา จ, จะขโมยเงินไปอาจจะขโมยทรัพย์สมบัติโกงเงินทองไปหรือว่าทำร้ายร่างกายแต่ว่าไม่สามารถจะทำร้ายจิตใจ ถ้าหาว่าเราไม่ร่วมมือด้วยหรือถ้าเราไม่เปิดช่องให้พรนะพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามือที่ไม่มีแผลจับต้องยาพิษก็ไม่เป็นอันตรายแต่ถ้ามือมีแผลเมื่อไหร่นะจับต้องยาพิษนั่นแหละถึงจะเป็นอันตรายใจที่วางไว้ผิดนะก็ไม่ต่างจากมือที่มีแผลนะ ใจที่มีกิเลสใจที่มีอวิชชาหรือว่าใจที่หลงนะคิดมองอะไรในแง่ลบนั่นะแล้วก็เปรียบกับมือที่มีแผลถ้ามือที่มีแผลนี่นะเจอยาพิษนั่นแหละถึงจะเป็นอันตรายก็คือมันเปิดช่องไอแ้แผลนั่นแหละเปิดช่องให้ยาพิษกับไปทําร้ายร่างกายใจของเราถ้าวางไว้ผูดไว้ถูกเนี่ยมันก็ไม่เปิดช่องให้คนอื่นมา ทำลายความสุขของเราได้และบางทีไม่มีคนอื่นด้วยซ้ำนะแต่ว่าเป็นใจของตัวเองนะที่มันทำลายความสุขของตัวเองเพราะในเวลามีความทุกข์เนี่ยมันหมายถึงทุกข์ใจนะอย่าไปโทษคนอื่นคนอื่นอาจจะมีส่วนแต่ว่าก็เป็นปัจจัยรองปัจจัยหลักคือใจเราเองนะที่เปิดช่องไปร่วมมือนะ อาจารย์แชสสโลพูดไปดีนะเขาบอกว่าในโลกนี้เนี่ยไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครที่จะบังคับให้เราทุกข์ได้เขาเพียงแต่มาชวนให้เราไม่พอใจนะชวนให้เราเป็นทุกข์แต่เมื่อเชิญแล้วมันอยู่ที่เราว่าจะเราจะรับคําเชิญหรือไม่ไม่มีใครบังคับได้นะเสียงดังนะมันมาชวนให้เราทุกข์ อยู่ที่ว่าเราจะรับคำเชิญหรือว่าถ้ารับคำเชิญหรือว่าเปิดช่องให้มันเข้ามาเล่นงานใจนะเราก็ทุกเราก็หงุดหงิดคําคพูดคดาําด่าคําวิจารณ์ต้องเหมือนกันนะมันไม่ทําให้เราทุกได้นะถ้าใจเราไม่เปิดช่องให้หรือใจเราไม่ไปหยิบไปฉวยเอาความทุกเหล่านั้นเอาคําพูดเหล่านั้นเอาเสียงเหล่านั้นเนียมาทิมแทงจิตใจ อยู่ที่ใจของเราเองเป็นสำคัญหลวงพ่อาาชานั้นพูดถึงขั้นว่าเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันถูกเสมอแต่ถ้าเราทุกข์ก็เพราะวางใจผิดนะท่านพูดถึงขนาดนี้เลยนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันถูกเสมอนะแต่ถ้าเราทุกข์ไม่ลักฐานวเราวางใจผิดถูกในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงถูกกฎหมายหรือว่าถูกศีลธรรมนะ หรือว่าถูกมารยาทนะแต่ว่าอาจจะหมายถึงถูกตามเหตุตามปัจจัยอย่างคนที่มีนิสัยไม่ดีก็ย่อมพูดย่อมกระทำในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมคนที่ขี่โกรธมักโกรธก็ย่อมพูดจาค้อยคำรุนแรงอันนี้มันถูกตามเหตุตามปัจจัยนะ แต่ว่ามันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องทุกข์เมื่อได้ยินคาพูดหรือได้เจอการกระทำเหล่านั้ น, นู่ที่การวางใจของเรานะว่าเราจะวางใจเป็นหรือเปล่าพระพุจาตรัสว่าจิตที่วางไว้ผิดนะย่อมทำร้ายเราเหมือนกับโจรทำร้ายโจรด้วยกัน ลองนึกภาพนะโจรเนี่ยเวลามันสู้กันเนี่ยมันน่ากลัวมากนะมันพร้อมจะห้ามหันทำร้ายกันจนกระทั่งเกิดความพินาศได้ไอจิตที่วางไว้ผิดเนี่ยมันสามารถจะสร้างความผิดหายยิ่งกว่าโจรทำร้ายโจรด้กันแต่ในทางตรงข้ามนะจิตที่วางไว้ถูกเนี่ยก็สามารถจะสร้างคุณประโยชน์ ให้กับเรายิ่งกว่าที่พ่อแม่จะทำให้กับเราเสียอีกจิตที่วางไว้ถูกเนี่ยนะสามารถทำให้เรามีความสุขหรือสามารถที่เราทำให้จิตใจได้พบ ก, กับความอิสระซึ่งพ่อแม่ทำให้ไม่ได้พ่อแม่รักเราเพียงใดก็ไม่สามารถจะทำให้เรามีความสงบหรือทำให้เรามีจิตที่เป็นอิสระได้ พ่อแม่จะให้สิ่งของให้ข้าวให้น้ำให้ความรักให้ความอบอุ่นแต่สุดท้ายแล้วความสุขความสงบความอิสระนะั้นมันอยู่ที่ใจเราหลายคนมีพ่อแม่ที่ดีนะพ่อแม่ที่เปลี่ยนไปด้วยความรักเอาใจใส่แต่ลูกไม่มีความสุขนะพ่อแม่ไม่รู้จะทำอย่างไรอยากจะช่วยก็ ก็ช่วยได้เท่านี้แหละเพราะว่าความสุขนะมันอยู่ที่ตัวเจ้าของนะความภูมิใจในชีวิตมันก็อยู่ที่ตัวเองแต่ว่าในทางตรงข้ามนะถาหากว่ารู้จักวางใจได้ถูกนะไม่ว่าจะเจออะไรมากระทบเจ้านายไม่น่ารักแฟนพูดจามไม่ดี หรือว่าดินฟ้าอากาศนะไม่เกื้อกูลเจอโรคภัยไข้เจ็บนะเจอผู้ร้ายก็ไม่ทำให้ใจเป็นทุกข์ได้เลยนะถึงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครทำให้เราเป็นทุกข์ไดนะ้นอกจากใจของตัวเองที่วางไว้ผิดไม่มีใครขโมยความสุขไปจากใจของเราได้นะ นอกจากเรานั่นแหละทั้งที่จะทําลายความสุขในใจของตัวเองหรือว่าเปิดทางเปิดช่องให้คนอื่นนี้มาเล่นงานทํำลายจิตใจของเราเมื่อตระหนักเช่นนี้แล้วนี่นะการดูแลรักษาจิตใจหรือว่าการฝึกฝนจิตใจอย่างเป็นเรื่องสำคัญมากมันสําคัญยิ่งกว่าการขวนขวายภาคเพียนทํามาหาเงิน นะสร้างเนื้อสร้างตัวให้ร่ำรวยหรือว่าขนขวายในการหาคู่ครองที่ดีบางคนเนี่ยเสียเวลานะเพื่อที่จะหาคู่ครองที่เลิศเลอเพอร์เฟกตแล้วก็หาไม่เจอถึงแม้จ ะ, ะลดมาตรฐานลงไปหน่อยแล้วก็พบคนที่ดีแต่ว่าก็อาจจะอยู่กันอย่างไม่มีความสุขเพราะว่าเจ้าตัวนั้นเนี่ย เรียกร้องเรียกร้องจากแฟนอยู่เสมอเขาดีเขาทำเขาทาดีแล้วก็ยังไม่พอใจนะก็ยังหาข้อตำหนิจากเขาได้ว่าเขาไม่ดีอย่างงาน้นเขาไม่ดีอย่างนีนะ้ซึ่งก็เป็นธรรมดานะเพราะว่าคนเราเนี่ยมันไม่สมบูรณ์แบบร้อยเอซอยู่แล้วถ้ามองไม่เป็นมองแต่หาข้อลบเนี่ย ได้แฟนดียังไงก็ไม่มีความสุขนะ้วมันต้องกลับมาดูที่ใจของเรานะว่าใจของเราเนี่ยเราวางไว้ถูกไหมบางทีส่วนนึ่งก็เกิดจากการที่เราไปไปแบกไปยึดเอาสิ่งที่ไม่น่าพอใจเอาไว้แล้วก็ไม่ปล่อยไม่วางนะทั้งนั่งที่รู้ว่าแบกแล้วเป็นทุกข์ทั้งนัง ท, งที่รู้ว่ายึดแล้วเนี่ย นะมันเป็นทุกขนะ์แต่ก็ไม่ยอมปล่อยเพราะอะไรนะเพราะหลงนะคนเราลืมตัวเนี่ยทำอะไรได้ร้อยแปดนะอย่างที่พูดไปเมื่อเช้าแม้รนะวมท้งการไปยึดติดเอาคำพูดนะของใครเอาการกระทำของใครสารพัดนี่มาตอกย้ำซ้ำเติมตัวเองแต่ถ้าเรารู้จัก ร, รักษาใจให้มีสตินะ มันก็ช่วยทำให้เราปล่อยวางได้หรือรู้จักมองในสิ่งที่มันเป็นบวกบ้างนะเรามองสิ่งที่เป็นบวกมันเห็นแต่สิ่งที่ดีไม่จดจ่อสิ่งที่ไม่ดีนะก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้มีความสุขได้ก็ถือว่านะเราเองก็มีจุดบกพร่องเขาเองก็มี นะแต่ว่าเรามาดูด้านที่ดีแล้วก็อาศัยไอ้ส่วนที่ดีนะั่นแหละมาเสริมกันนั่นกลับมาดูใจเราอยู่เสมอนะเวลาเรามีความทุกข์ใจอย่าไปโทษคนอื่นนะสถานเดียวคนอื่นอาจจะมีส่วนปัจจัยภายนอกจะมีส่วนแต่เขาทําได้อย่างมากก็แค่มาชวนให้เราโกรธมาชวนให้เราทุกข์ แต่ว่าเราจะทุกข์หรือไม่มันอยู่ที่ว่าเรารับคำชวนคาเชิญหรือเปล่าหรือว่าเราเปิดช่องหรือเปล่าบางทีเขามาจอดอยู่หน้าประตูแล้วถ้าเราไม่เปิดประตูเขาก็ไม่มาก่อความวุ่นวายนะในบ้านของเราในใจของเราได้ไอ้ส่วนใหญ่เป็นเพราะเปิดประตูนะเปิดประตูให้เขาเข้ามาเปิดช่องให้เข้ามานะหรือบางทีก็ไม่มีอะไรเลยแต่ว่าความคิดปรุงแต่ง ก็ทำให้เราทุกข์อยู่ในอยู่ในวัดนะกลางค่ำกลางคืนก็ปลอดภัยนะแต่หลายคนนอนไม่หลับเพราะใจมันปรุงแต่งในะจมีคิดสารพัดว่าจนะมีคนจะมาทำร้ายมีสัตว์ร้ายอยูนะ่อยู่รอบกุฏิหรือบางทีก็ซุกซ่อนอยู่ในกุฏิ พอคิดแบบนี้เข้าก็นอนไม่หลับนะหวาอันนี้เป็นเพราะใจตัวเองทั้งนั้นนะมันไม่ใช่เพราะปัจจัยภายนอกงั้นถ้าเกิดว่าเรามีอาการนี้ขึ้นมาเนี่ยให้เราตั้งสตินะกลับมาดูใจของเราถ้าเรากลับมาดูใจแล้วก็มันฝึกใจอยู่เสมอให้มีสติให้มีความรู้สึกตัวให้มีอ่ ปัญญารู้จักปล่อยรู้จักวางหรือว่ามีสมาธิไม่ทำให้จิตฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ความสุขที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมันก็ยังอยู่ต่อไปนะไ ม, ไ ม, ม, ม่ไม่ใช่ทำลายมันกับมันทไม่ใช่ทาลายมันกะับมือหรือทำลายมันด้วยใจของเราคำนี้ก็เป็นกั่านีนะเอะากรับคับ